จเจริญพรท่านพุทธบุตสัตว์อบาสกปุบาเซกาผู้มีเจตเมตาการณาใจบุญใจบุญทุก ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่แปกมิถุนายนพุทธศักราชสองพัน 557เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่าจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศสั่งธรรมเพื่อเ ส, สริมสร้างบุญกุศลให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับ โดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมเพราะจะทำให้เกิดความรู้ความเห็นที่ถูกต้องทำให้สามารถทำอะไรได้อย่างถูกต้องถ้าไม่รู้หรือ ม, มีความเห็นผิดก็จะทำอะไรที่ผิด เมื่อทำผิดแล้วก็จะผลเกิดผลเสียหายตามมาการฟังเทศฟังธรรมเราจะได้รู้ว่าการกระทาของเรานี้เป็นเห ต, เเหตุเป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลขึ้นมาผลที่จะเกิดก็เกิดขึ้นที่จิตใจของเราเป็นหลักส่วนผลที่จะเกิดขึ้นกับ เรื่องอื่นนั้นเป็นผลรองผลหลักนี้เกิดที่ใจของเราเวลาเราทำบุญใจของเราจะมีความสุขเวลาเราทำบาปใจของเราจะมีความทุกข์นี่คือผลที่ได้รับจากการทำบุญทาบาปส่วนผลภายนอกของใจ เช่นผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรานี้มีเกิดขึ้นได้ช้าบ้างเร็วบ้างและอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เช่นเราคิดว่าเราทำบุญเราต้องได้รับความเจริญในราบยศสรรเสริญเช่นร่ำรวยขึ้นมีเงินทอง ม, มากขึ้นถ้าทำงานมีตำแหน่งก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง สูงขึ้นไปทํามาหากินกิจการก็จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอันนี้ไม่ได้เป็นผลที่จะเกิดขึ้นเสมอไปจากการทําบุญเพราะการทําบุญนี้มีทั้งบุญในปัจจุบันและมีทั้งบุญในอดีตและบาปที่เราทําก็มีทั้งบาปในปัจจุบันและบาปในอดีต บางคนทำบุญแต่ไม่ได้ผลคือค้าขายก็ไม่ร่นรวยตำแหน่งหน้าที่การงานก็ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนยศไม่มีใครยกย่องสรรเสริญทั้งๆ ท, ที่ทำบุญทำความดีอยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้เป็นเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาของบุญที่เราจะทำนั่นเอง แต่อาจจะกลับได้ผลบาปที่เราทำมานในอดีตแทนที่จะได้เงินได้ทองกลับสูญเสียเงินทองไปแทนที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกลับสูญเสียตาแหน่งไปแทนที่จะมีคนสรรเสริญยกย่องกลับมีคนด่าว่ากล่าวต่างๆนาน า, นาอันนี้ต้องขอให้เราทำความเข้าใจว่า มันมีทั้งผลที่เราทำในปัจจุบันและผลที่เราทำมาในอดีตซึ่งบางทีมันเกิดไม่ทันใจเราดงั้นเราอย่าไปท้อแท้เวลาเราทำบิทําบุญทำความดีแล้วเราไม่เจริญก้าวหน้าทางลาบยกสรรเสริญ ขอให้เราดูผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเวลาเราทําบุญก็คือผลที่ใจทําบุญแล้วใจจะมีความสุขความสุขใจนี่แหละคือสวรรค์เวลาที่เราไม่มีร่างกายแล้วใจของเราก็จะเป็นสวรรค์ขึ้นมาสวรรค์นี้ไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกับกรุงเทพหรือเชียงใหม่ สวรรค์นี้เป็นสภาพจิตใจของเราจิตใจของเราเวลาทําความดีแล้วจะมีความล่มเย็ยนเป็นสุขความร่มเย็ยนเป็นสุคนี้แล้วคือสวรรค์เวลาที่เรานอนหลับแล้วเราฝันดีอันนี้แหละคืออา น, นิสงส์ของการทําบุญเวลาที่เรานอนหลับแล้วเราฝันร้าย อันนี้ก็เป็นอนิสงของการทำบาปเวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็จะฝันยาวไปเลยถ้าเป็นบุญก็จะฝันยาวมีแต่เรื่องที่ดีมีแต่ความสุขเหมือนกับได้ไปสวรรค์นั่นแหละคือสวรรค์ที่เกิดจากการทำบุญส่วนเวลาที่เราหลับฝันลายน อันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการทำบาปของเราเวลาไม่มีร่างกายร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็จะฝันร้ายเราก็จะไปนรกไปอบายนี่คือเรื่องของผลบุญของผลบาป ท, ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเกิดขึ้นที่ใจของเราเป็นหลักแต่ผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นที่ภายนอกใจ คือได้ลาบยศสรรเสริญหรือไม่ได้ลาบยศสรรเสริญนี้เป็นผลที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะเกิดช้าหรือเกิดเร็วก็ได้บางทีคนทาบาปอยู่เรื่อยแต่กลับได้ดึกได้ดีในทางผลภายนอกคือได้เจริญก้าวหน้า ในราบยศสรรเสริญถ้าเรามองแต่ผลภายนอกโดยที่เราไม่มองผลภายในใจก็จะทำให้เราท้อแท้ไม่มีความอยากจะทำความดีพอเห็นคนทำชั่วแล้วได้ดิบได้ดีกันเยอะแต่สิ่งที่เขาได้ดิบได้ดีนั้นมันไม่ดีจริงหรอกเช่นการร่ำรวยการเป็นใหญ่เป็นโต การมีคนยกย่องสรรเสริญเยืนยออันนี้มันเป็นความสุขในเป็นความทุกข์ที่พุ่มด้วยความสุขสุขตอนที่เราได้รับมาเวลาที่เราได้รับทรัพย์ในเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งมีคนสรรเสริญเยืนยอเราก็มีความสุขกันแต่เราลืมไปว่ามันเป็นของชั่วคราว มันต้องมีวันเสื่อมมันมีวันหมดไปเวลาที่มันเสื่อมจากเราไปเวลานั้นละ่ะเป็นเวลาที่ให้ทุกข์กับเราอย่างสาหาัสบางทีถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายคนที่สูญเสียราบยศสรรเสริญ ม, มากๆากนี่บางทีรับไม่ได้มนรับไม่ได้ที่จะต้องอยู่แบบคนขอทานอยู่แบบคนยากจน ก็อยากจะคิดค่าตัวตายขึ้นมานี่เพราะว่ามองมองไม่เห็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆนั่นเองเราคิดว่าเราได้อะไรมาแล้วจะมีแต่มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจะไม่มีวันลดน้อยถอยลงไปจะไม่มีวันหมดไปดังนั้นการที่เราทำอะไรแล้วเราได้จเจริญทาง ลาบยศสรรเสริญนี้อย่าไปดีอ ด, ดีใจต้องคอยเตือนใจสอนใจว่าให้เรมามัระวังไว้ให้ดีเพราะว่ามันมีวันที่จะต้องหมดไปได้เสื่อมได้เหมือนกับคนขึ้นอยู่บนต้นไม้ระวังให้ดีอาจจะพลาดตกลงมาได้เวลาตกจากต้นไม้ลงมานี่มันจะเจ็บ คนที่เจริญด้วยลาภยศสรรเสริญเวลาที่เกิดความเสื่อมขึ้นมาเวลาเกิดความสูญเสียขึ้นมาเวลานั้นจะเป็นเวลาที่ทุกทรมานใจเป็นอย่างมากสู้ไม่มีดีกว่าอยู่แบบตอนที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็พอแล้วหาความสุขทางใจดีกว่าทำบุญแล้วมีความสุขใจความสุขใจนี้ไม่เสื่อม จะอยู่ติดกับใจกับเราไปเวลาตายไปก็จะพาเราไปสู่สวรรค์นี่แหละคือเรื่องของการมีความเห็นที่ถูกต้องคนเราญาติโยมส่วนใหญ่นี้ไม่เข้าใจกันคิดว่าการมาทำบุญมากราบพระก็เพื่อที่จะให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรือง ต่อให้เจริญรุ่งเรืองขนาดไหนก็ตา่างในที่สุดก็ต้องแก่เจ็บตายไปอยู่ดีไม่ว่าใครทั้งนั้นคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ว่ายากดีมีจนก็หนีความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้เวลาตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากใจที่ได้ทำบุญหรือได้ทำบาป หรือไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทําบาปไปเท่านั้นเองถ้าใจที่ได้ทําบุญก็จะไปสู่สวรรค์ไปสู่ความสุขถ้าใจที่ทําบาปก็ไปสู่นรกไปสู่อบายไปสู่ความทุกข์ถ้าใจที่ไม่ได้ทําบุญหรือไม่ได้ทําบาปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะไม่มีบุญพาไปสวรรค์ไม่มีบาปพาไปอบาย พาไปนรกก็เลยต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เท<ม>่าเดิมไม่ได้กำไรไม่ได้ขาดทุน<ม>เคยเป็นมนุษย์อย่างไรก็จะเป็นมนุษย์อย่างนั้นต่อไปแต่ถ้าได้ทาบุญเวลาตายไปได้ไปสวรรค์เวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเก่ามีเงินทองมากกว่าเก่า มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเก่ามีอายุยืนยาวนานกว่าเก่ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกว่าเก่ามีอาการครบสามสิบสองอันนี้เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการทำบุญหลังจากที่ได้ไปรับผลบุญในสวรรค์แล้วเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าทำบาป แล้วตายไปก็ต้องไปเกิดในนรกไปเกิดในอบายเป็นเปรยบ้างเป็นผีบ้างเป็นเดรัจฉานบ้างพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนารูปร่างหน้าตาไม่สวยงามเหมือนเมื่อก่อนเดวกว่าเดิมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเงินการทอง ไม่ว่าจะเป็นอาการส2สองสุขภาพร่างกายหรืออายุอันนี้จะเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าตอนที่ที่ที่ไปรับผลบาปเช่นตอนนี้ถ้าเราทำบาปเราตายไปแล้วกลับมาใหม่เราจะได้ชีวิตที่เร็วกว่าเดิมเพราะเป็นอ น, นิสงของผลบาปที่เราได้ทำไว้ พระพุทธเจ้าจึงต้องคอยสอนให้พวกเราทำบุญละบาป ก, กันอย่าทำบาปเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าได้ไม่คุ้มเสียเราอาจจะคิดว่าเราโกงเราทำบาปแล้วเรารล่มเรารวยแต่เป็นความร่ำรวยชั่วคราวไม่นานไม่เหมือนกับเวลาที่ต้องไปใช้ผลบาปไปเกิดเป็นเปรตเป็นเวลายาวกว่าอายุของมนุษย์ไปตกนรก เวลาก็ยาวนานกว่าของชีวิตของที่ของเป็นมนุษย์เน้นทาแล้วได้ไม่คุ้มเสียเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะได้เป็นมนุษย์ที่เร็วกว่าเดิมแย่กว่าเดิมแต่ถ้าทําบุญแล้วมีแต่จะดีกว่าเดิมตายไปก็ไปด้วยความสุขไปท่องเที่ยวในสวรรค์นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรม ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเมื่อทำแล้วผลย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าเราอยากจะเห็นผลที่เกิดขึ้นทันทีทันใดขอให้ดูที่ใจของเราเวลาทำบุญแล้วใจเรารู้สึกอย่างไรเวลาเราทำบาปแล้วใจของเรารู้สึกอย่างไรจะเห็นความแตกต่างกันเลยทำบุญแล้วใจสงบล่มเย็นเป็นสุข ทำบาปแล้วใจวุ่นวายใจเดือดร้อนใจวิตกกังวลงว่าวุ่นขุนบัวหวาดกลัวไปกับเรื่องราวต่างๆนานาอันนี้แหละคือผลที่เกิดจากการกระทําของเราอย่างชัดเจนเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นได้ในขณะนี้เลยแล้วเราจะรู้เลยว่าเวลาเราตายไปนี้เราจะไปสวรรค์ หรือเราจะไปอบายดูตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหรือว่าจิตใจเรามีความร่มเย็นเป็นสุขหรือมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นผลจะบ่งบอกของชะตาชีวิตของเราในภายภาคหน้านี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าสองขั้นตอนแรกคือ ให้เราทำบุญอย่าทำบาปอันนี้ทุกคนสามารถทำได้ไม่ยากเย็นอะไรแต่ข้อที่สามที่สอนให้ทำนี่เป็นข้อที่ยากแต่จะให้ผลที่ดีกว่าข้อที่หนึ่งข้อที่สองทำข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ยังทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าเราเบื่อกับการเวียนว่ายตายเกิดเบื่อกับการเกิดแกเ่เจ็บตายเราก็ต้องทำคาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่สามข้อที่สามนี้ท่านสอนให้เราชำระใจของเราให้สะอาดใจของเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าเวลาเราใส่เสื้อผ้าไปแล้วมันเป็นอย่างไร มันสะอาดหรือสกรปรกมันต้องสกรปรกด้วยเหงื่อใครสกรปรกด้วยฝุ่นด้วยคราบสกรปรกต่างๆที่เสื้อผ้าไปไปรับมาถ้าเราไม่เอาเสื้อผ้าไปซักเสื้อผ้าก็จะส่งกลิ่นเหม็นไม่น่าไม่น่าสวมใส่แต่ถ้าเราเอาเสื้อผ้าไปซักให้สะอาดเสื้อผ้านั้นก็จะน่าสวมใส่ ใจของเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าสิ่งที่ทำให้ใจของเรามัวหมองทำให้ใจของเราสศกโศกก็คือกิเลสตัณหานี่เอกิเลสตัณหานี่แหละที่ทำให้เรามีความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายกังวลกวายสังเกตดูเวลามีความโกรธนี่เป็นยังไงบางทีนอนไม่หลับทั้งคืน เพราะโกรธเรื่องนั้นเรื่องนี้โกรธคนนั้นโกรธคนนี้เช่นเดียวกับเวลามีความโลภพอโลภแล้วมันกวนกยกระสับกระสายอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ได้ถ้ายังไม่ได้ก็เด่นอยู่อย่างนั้นไปจนกว่าจะได้มาถึงจะสงบตัวลงไปได้ความโลภความอยากนี่แหละที่เป็นตัวที่จะดึงให้เราต้องไปเกิดใหม่ หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเพราะมันอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้พอมีความโลภเกิดขึ้นมามีความอยากเกิดขึ้นมาใจมันจะดิ้นมันจะอยู่ไม่เป็นสุขถ้าเราชำระใจให้สะอาดได้กำจัดความโลภความอยากความโกรความหลงได้ใจของเราจะสงบพอสงบแล้วก็มีความสุข มีความสุขก็จะไม่ดิ้นไปหาอะไรเวลาร่างกายนี้ตายไปใจก็ไม่ต้องไปดิ้นไปหาพบใหม่ชาติใหม่ไม่ต้องไปใช้กรรมใช้บุญใหม่อันนี้เป็นข้อที่สามที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทำกันถ้าเราทำข้อที่หนึ่งได้ข้อที่สองได้เราก็จะทำข้อที่สามได้ ดังนั้นก่อนที่เราจะทำข้อที่สาให้เรามาทําข้อที่หนึ่งข้อที่สองก่อนคือมาทําบุญก่อนอย่างวันน้ญาติโย่ก็มาทําบุญกันมาทําข้อที่หนึ่งกันพอทําข้อที่หนึ่งได้แล้วก็จะทําข้อที่สองได้ก็คือไม่ทําบาลด้วยการมารักษาศีลกันรักษาศีลตอนต้นนักได้กี่รักษาได้กี่ข้อก็รักษาไปก่อน ไม่ต้องรักษาให้ครบเลยก็ได้ถ้ารักษาให้ครบได้ยิ่งดีใหญ่แต่ถ้ารับรักษาได้เพียงสามข้อสี่ข้อสองข้อหรือหนึง่งข้อก็รักษาไปก่อนดีกว่าไม่รักษาเลยแล้วค่อยเพิ่มขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยจากการรักษาได้หนข้อก็เพิ่มเป็นสองข้อจากสองข้อก็เพิ่มเป็นสามข้อ ทำไปแล้วมันก็จะมีกาลังเพิ่มขึ้นไปเองนี่คือการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสองข้อแรกถ้าทำตามสองข้อแรกได้ตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็มาทำบุญละบาปใหม่ ชีวิตของเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในพักที่ดีไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกถ้าเราทำสองข้อแรกได้ถ้าเราทำข้อที่สามได้สามารถชำระใจให้สะอาดได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้ใจของเราก็จะ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์ท่านสามารถทำได้ทั้งสามข้อทำบุญก็ได้ทำบาปก็ได้ละทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ท่านก็ทำได้พอทำได้แล้วจิตใจของท่านก็สงบไม่มีความดิ้นรนไม่มีอะไร ที่จะมาผลักดันให้ไปเกิดใหม่อีกต่อไปใจของพวกเราก็สามารถเป็นอย่างใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวโลดาถ้าเราทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าอยากจะชำระใจให้สะอาดก็ต้องนั่งสมาธิให้ได้จเจริญปัญญาคิดไปในทางปัญญาให้ได้วิธีนั่งสมาธิ ก็ต้องมีสติเป็นผู้ทกากับใจให้ใจสงบถ้าไม่มีสติใจจะไม่นิ่งใจจะไม่สงบสติคืออะไรก็คือการเละเลืกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไปให้เราท่องแต่พุทโธพุทโธไปภายในใจอย่าไปคิดอะไร ถ้าเราคิดแล้วใจจะไม่สงบจะไม่เป็นสมาธิถ้าเราท่องพุทโธอยู่เรื่อยๆใจจะสงบใจจะเป็นสมาธิพอใจสงบแล้วความโลภความโกรธความหลงก็จะหยุดทำงานชั่วคราวเราก็จะเหมือนกับได้ไปนิพพานชั่วคราวแต่ความสงบนี้จะอยู่ได้ไม่นานไม่นานเราก็ต้องออกมา เพราะยังมีร่างกายที่เราต้องดูแลอยู่ถ้าเราอยู่ในสภาพที่เป็นนา น, านเดี๋ยวร่างก า, กายก็จะเรียกเราออกไปเพราะมันต้องการดื่มต้องการรับประทานต้องการเข้าห้องน้ำนั่นเองต้องการเปลี่ยนอิริยาบถนั่งอยู่นานๆแล้วมันก็ปวดมันก็เมื่อยพอออกมาความโลภความโกรธความหลงก็จะออกมาทำ ง, งานต่อ ถ้าเราอยากจะทำลายมันให้หมดไปเราก็ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าเวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงนี้มันทำให้ใจทุกข์ไม่ใช่ทำให้ใจสุขเวลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงใจจะมีความสุขมากพอเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมา ความสุขนั้นก็จะหายไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะหยุดความโลภความโกรธความหลงเพราะเราไม่อยากจะทุกข์กันนั่นเองเราอยากจะมีแต่ความสุขนี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้ดูเวลาที่อยู่ในสมาธิมีความสุขไม่มีความทุกข์ พอตอนนั้นไม่มีความโลภความโกรธความหลงพอออกจากสมาธิมาพอเริ่มมีความโลภความโกรธความหลงใจก็ร้อนขึ้นมาใจก็ทุกขึ้นมาเราก็จะเห็นทันทีว่าความทุกข์นี้เกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี้ไม่ได้เกิดจากอะไรถ้าเราอยากจะให้ความทุกข์นี้หายไปเราก็หยุดความโลภความโกรธความหลงเท่านั้นเวลาโกรธก็หยุด ให้อภัยไม่ถือโทษโกดเคืองเวลาโลกก็เปลี่ยนใจไม่เอาก็ได้ไม่มีก็ไม่เหลืออร้อนไม่มีกลับมีความสุขมากกว่ามีมีไปทำไมมีรับทุกไปเปล่ า, าให้คิดอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าความโลภความโกรธความหลงก็จะหมดไปจากใจแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป อยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดอยู่บนสวรรค์ชั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่กับพระอาหลานตัสาวกดีกว่ามาเวียน่ายตายเกิดอย่างที่พวกเราทากันอยู่อย่างนี้ไม่มีวันจบตายจากภพนี้เดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ กลับมาร้องโหม่ร้องห้างเศร้าโศกเสียใจใหม่เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบสิน้นจนกว่าเราจะสามารถชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ทำลายความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากใจได้เท่านั้นเราจึงจะไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญมาฟังเทศฟังธรรม เพื่อให้เกิดมีความเข้า อ, อกเข้าใจมีความเห็นที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้พาให้เรากระทำในสิ่งที่ถูกต้องที่จะเกิดคุณเกิดประโยชน์กับเราต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศีรัตนไตรและบุญกุศล